อ, ไไ อ, อยาดูเซ่เพลอะไรที่ฟังไม่ไหวไม่ต้องทังเจอทำตัวดีดีได้ไหมก็ทะไม่เจอเป็นวัรุ่นมันเนื่อยนันต้องขยานต้องเก่งต้องอดทนต้องมีแสงต้องมีฐานต่างๆอยากลองไปที่ผิดผิดให้คุ้มชีวิตฟุตฮัต ไม่ใช่ก่อนดินที่จะวางให้ใครมาปั้งฉันไม่ชอบต้องเดินไปตามทางของใครจึงนั่นฉันก็มีหัวใจมีหัวใจเล็กเหมือนกันนะฉันมีความต้องการความต้องการใน แ, แบบของฉัน ชีวิตตัวเองก็คิดว่าได้นี่นาอยากให้เธอเห็นด้วยตาว่าเราก็ไม่ดีจะ ท, ทำเป็นเหมือนอวดเก่งที่จริงน่ะแค่แสดมันก็แป็นแค่กำแพงที่เราสร้างมันมาฉันไม่ใช่ก้อนเดนที่จะ ว, วางให้ใครมาปั้นฉันไม่ชอบต้องเดินไปตามทางของใครทั้งนั้นนะ่ะฉันก็มีหัวใจมีหัวใจเล็กๆ เ, เหมือนกันฉันมีความต้องการความต้องการในแบบของฉันนะ รักกันอย่าบังคับอย่าบันคับแต่ไม่ช่ กระจา <laughs> Put your hands up. <laughs> <laughs>